ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยก ร, กราบบูชาครบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอกราบครวะพระอาจารย์ทรงศิน์เพื่อนสัตรมิกก็เจริญพรสมเนเณรแล้วก็แม่ชีบาศุกุบาศิกาทุกท่าน คนเน้นก็ต้องขออนุโนทนานสำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมกรรมฐานเข้ม40วันนะซึ่งก็มาจากหลายที่หลายแห่งรวมทั้งผู้ที่อยู่ในวัดนะที่มีความตั้งใจนะที่จะใช้เวลานะกับการเจริญสตินะตามแนวทางที่ หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะ่ได้นำเสนอไว้นะ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่อน่าจะพิสูจน์นะ่น่าจะได้ใช้ความเพียรความพยายามนะที่จะทำลงไปนะ่ซึ่งเข้าใจว่าเอา่อส่วนใหญ่เนี่ยนะ่ะก็เป็นคนที่เคยฝึกการเจริญสติมาบ้างนะ หบางคนก็อาจจะฝึกมานานแล้วนะแต่บางคนก็อาจจะยังใหม่อยู่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะจากการเจริญสติเอ่อการเจริญสติเนี่ยเท่าที่ได้เอ่อเรียนรู้นะมากับตัวเองเนี่ยนะมันก็เริ่มต้นจากที่เรานะมารู้สึกตัวที่กายก่อน ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะก็คือการมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกลมไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะนะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้ น, ตนนะสำหรับคนคนใหม่นะรือแม้แต่คนเก่าแลนะบางทีทำไปนานๆนะก็บางทีก็เผลอไปบ้างบางทีก็พลาพพ้าไปบ้างนะก็ให้กลับมา ที่ความรู้สึกตัวที่กายก่อนนะตรงนี้เป็นพื้นฐานความรู้สึกตัวที่กายเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนาที่จะให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะแทนที่แต่ก่อนเนี่ยเราคิดไปในเรื่องต่างๆนะคิดออกไปนอกตัวนะคิดไปในเรื่องอ ครอบครัวบ้างนะ่ะคิดไปในเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะ่คิดไปเรื่องของการการอยู่การกินนาะคิดไปในเรื่องต่างๆนะซึ่งตรงนั้นก็บางทีก็ทําให้เราเผลอนะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์นะ่ะความรู้สึกความนักคิดนะซึ่งก็ทําให้เราบางครั้งเราก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างนะ่ะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้าง นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะซึ่งคิดว่าแต่ละคนก็คงได้มีประสบะการณ์ตรงนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นะได้ฝึกเจริญสติการที่เรามารู้ที่กายเคลื่อนไหวเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะจะทำให้เรามีฐานหรือนะมีหลักนะของใจนะใจที่มันเคยคิดไปในเรื่องต่างๆ ออกไปนอกตัวนะออกไปในเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยมันจะได้กลับมาอยู่ที่กายนะเมื่อกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะชัดนะความรู้สึกตัวจะตื่นขึ้นความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยนะเราจะเริ่มจากการเห็นได้ง่ายๆก็คือการที่เราเคลื่อนไหวนะเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวจะเป็นการเดินก็ตาม จะเป็นการสร้างจังหวะก็าตามมาเรามารู้รู้สึกกับการเคลื่อนการไหวนาไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านั้นนะความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดรู้นะแต่มันเป็นการสัมผัสรู้รู้ตรงไปตรงมาเลยการฝึกเจริญสติเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่ต้องใช้ความจำเลยเพียงแค่รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้ เป็นขณะเป็นขณะไปนะทีนี้ในการฝึกเนะี่ยบางคนจนะจะตั้งใจมากนะก็จะไปจี้ไปจ้องไปเพ่งนะอยากจะให้มันรู้ตลอดเวลาอยากให้รู้ต่อเนื่องนะเป็นเส้นนะเส้นตรงนี้ก็จะทำให้เราอึดอัดนะทำให้เรามึนนะถ้าเรามีอาการอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าเราเพ่งเราจ้องมากเกินไปแล้ว เราตั้งใจมากเกินไปแล้วใจเราไม่เป็นกลางแล้วใจเราไม่ได้สมดุลแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะวิธีการแก้ไขก็คือผ่อนผ่อนคลายออกมานะอาจจะมองไปไกลๆมองไปที่ยอดไม้มองไปที่ท้องฟ้านะตรงนี้ก็จะช่วยคลายอารมณ์ของเราออกนะให้มันสบายๆขึ้นนะบางทีเราไปเพ่งไปจ้องเข้าไปข้างในมาก มันก็จะเกิดอาการเหล่านี้หรือบางทีเราเพ่งจ้องมากๆ ม, มองเข้าไปในข้างในมากๆนะมันก็เนืงแต่ ม, มันมีอาการง่วงมีอาการซึมๆนะตรงนี้ก็ให้คลายอารมณ์ออกนอกจากนั้นเนี่ยในการเดินหรือในการสร้างจังหวะเนี่ยอย่าทำเป็นอัตโนมัตินะถ้าทําเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะเพลินมันจะเพลินไปแล้วก็ เราจะรู้สึกตัวไม่ชัดมานะในการสร้างจังหวะเนี่ยให้มีการเคลื่อนมีการหยุดเราจะไปะยกไปเรื่อยโดยไม่รู้ตัวนะคนใหม่เนี่ยให้ทําช้านิดหนึง่งเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เหมือนการเดนินเหมือนกันนะเดินไปเนี่ยเรามีจุดหมายเป้าหมายเมื่อเราถึงจุดหมายเป้าหมายปลายทางแล้วให้เราหยุดนิดนึงแล้วกลับตัวนะให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนการหยุด อย่าไปเดินแบบต่อเนื่องนะเป็นอัตโนมัตินะตรงนั้นจะทาให้เราเพลินมันเพลินมันก็จะเผลอเมื่อมันเผ ล, อ ม, เ ล, อ, มเลอมันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นบางทีเนยนะเราทำทั้งวันเลยแต่ไม่รู้สึกตัวเลยก็มีเหมือนกันนะขยันนะแต่ไม่ได้สติเลยขยันในการที่จะทำแบบอัตโนมัติแล้วก็บางทีก็คิดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ ทำให้เราเนื่นชานะดูรูปแบบข้างนอกก็ดีนะขยันดีนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวเลยเ ร, เราทำไปตามความเคยชินทำไปตามอัตโนมัติยกไม้ยกมยกือก็ไม่ได้รู้สึกตัวนะเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเองนะตรงนี้ก็ให้สังเกตนะให้สังเกตจากการที่เราปฏิบัติตอนอกจากเราจะรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว นาจะเป็นการเดินชงกลมก็ดีเป็นการสร้างจังหวะก็ดีเนี่ยนาเรก็ขยันนาขยันที่จะเดินขยันที่จะสร้างจังหวะนโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการมาเก็บอารมณ์เข้มเนี่ยเวลาที่มีทั้งหมดเนี่ยเราจะให้ไปกับรูปแบบนาเราจะงดการพูดการคุยเลยนถ้าเป็นไปได้เนี่ยดีที่สุดหละนไม่พูดไม่คุยหรือคุยให้น้อยที่สุดนะ แรกๆเนี่ยมันก็ทำได้นะแต่พอทาไปสักพักนึงมันจะเบื่อพอมันเบื่อเนี่ยก็จะหาเรื่องคุยกันนะรตรงนี้จะเป็นเป็นจุดบอดนะเป็นจุดที่เอ่อเป็นรอยเป็นรูรัร่วนะเพราะนั้นการเก็บอารมณ์เข้มเนี่ยนะต้องลบเลยหรือว่าพูดที่น้อยที่สุดนะรตรงนี้จะทำให้เรารู้สึกตัวได้ชัดนะเพราะการพูดการคุยก็เป็นการพรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนกัน ในะที่จะทําให้ความรู้สึกตัวของเราไม่ชัดนะแล้วบางทีสิ่งที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยนะ่ามันอาจจะไม่เกิดผลนะเพราะว่าเราไปหมอพูดหมอบคุยกันเออถ้าเป็นไปได้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยพยายามอย่าใช้เลยจะดีที่สุดนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นตัวที่บางทีมันจะชวนเราเลยนะบางทีเราเบื่อแล้วก็กดคุยกับคนนั้นคนนี้นะเรียกว่า มาปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่ามันเบื่อก็เปลี่ยนอารมณ์นะตังนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องระมัดระวังนนะอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะถ้าเราตั้งใจมาแล้วก็พยายามนะลดเว้นเรื่องเหล่านี้ไปอันนี้ก็จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมนะให้เหมาะสมกับเราการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมานะเป็นสิ่งที่ เ, เราจะต้อง อาศัยการที่ปลูกความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันตื่นขึ้ น, นซึ่งก็จะเป็นความรู้สึกตัวในแต่ละขณ ะ, ะคนใหม่ๆก็จะมีรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่ว่าเมื่อมันเผลอแล้วมันกลับมารู้ได้ทันก็คือกลับมารู้สึกตัวได้ทันกลับมารู้สึกตัวได้เร็วงานนั้นจะเป็นพัฒนาการเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้นะอย่าไปโทษตัวเองว่าทำไมเราเผลออีกแล้ว นะตรงนั้นก็จะเป็นการโทษตัวเองแล้วก็ในระหว่างการเจริญสติเนี่ยในขณะที่เดินในขณะที่สร้างจังหวะเนี่ยถ้ามันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็จะไปสนใจมันจะไปตามดูมันนะกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวนเป็นฐานนะตรงนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ทีนี้คนที่ชนานาญแล้วมีความรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ย ล้วก็ จ, จะมองเห็นความคิดได้ได้เร็วนะแล้วก็จะเห็นรูปแบบของความคิดได้หลายๆรูปแบบนะซึ่งมันก็มีทั้งความคิดที่ที่ดีก็มีความคิดที่ไม่ดีก็มีนะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราจะสลัดออกได้ง่ายแต่ความคิดที่ที่ดีๆเนี่ยบางทีมันก็แนบเนียนมากนะมันมาชวนให้เราคิดไปในเรื่องต่างๆนะเมื่อวานก็มีพระมาะคุยให้ฟังว่าตอนนี้นะ มันทำไปแล้วมันมีความปรารถนาดีอยากจะไปชวนเพื่อ น, นามาปฏิบัติบ้างนาแล้วก็วางแผนโครงการต่างๆก็เลยบอกว่านั่นแหละนาเป็นความคิดดีๆเป็นความมืดสีขาวให้ระวังอย่าไปสนใจอย่าไปตอแยมันเลยทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวตรง น, นี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรากลับมาสู่ความเป็นปกติเพราะนั้นความคิด ในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เท่าทันนะแต่อย่าไปห้ามนะการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเราไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ก็ไม่ตามนะมันคิดมาคิดไปยิ่งคิดมากเราก็ยิ่งรู้มากนะบางคนทำไปนไม่อยากให้มันคิดนะบางคนก็ไปคิดว่าเอฝถูกเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่เคยฟุ้งซ่านขนาดนี้ ทำไมมาปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านเหลือเกิ น, นไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านจริงๆมันก็เป็นเป็นธรรมชาติของจิตที่เขาจะทำนานทางานทำหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่เพียงแต่ว่ากลับมารู้สึกตัวอย่าไปตามความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรสงบก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันก็แล้วกันอย่าไปจมอยู่ในความสงบหรืออย่าปหปุดหนิดกับความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้น มันเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการาของกายของใจที่เขาจะแสดงตัวออกม า, าถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยาตาใ น, นาคือตาใจความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะเห็นอาการต่างๆของกายของใจที่แสดงออกม า, าเช่นเรานั่ง น, นานๆเราปวดเราเมื่อยเราร้อนเราเย็นเราหนาว นะนี่เป็นอาการของกายนะที่แสดงออกมาคนที่ไม่รู้หรือคนที่ไม่ดูเนี่ยนะแต่ตอนก็จะมีความทุกขนะ์กับสิ่งเหล่านี้เช่นเราปวดเราเมื่อยเราก็งดหนิดนะเราก็เปลี่ยนอเรียาบทไปนะโดยที่เราไม่ดูให้รู้ชัดนะมีตัวเราเข้าไปอยู่ในความปวดความเมื่อยนะแต่คนที่มีความรู้สึกตัวชัดเนี่ย เ, เหาจนเลยว่า นี่เป็นเพียงอาการของกายนะมันไม่มีตัวเราเข้าไปในความปวดความเมื่อยนั้นนะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เกิดจากความคิดนะแต่มันเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆอยู่นั่นแหละแตนะ่ความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแนะหรือบางคนเนี่ย <c oughs> มาใหม่ๆ ม, มาที่นี่ยังไม่คุ้นนะก็มีอาการ ร้อนเหนาวหาวขั้นเนื้อขั้นตัวน่ะเป็นช่วงของการปรับตัวนะตรงนี้นะก็ให้สังเกตดูนะเป็นเรื่องของที่ร่างกายเรามีการปรับตัวนะกับสิ่งแวดล้อมน่ะให้ลองสังเกตดูนะบางทีใจมันก็จะอ่อหงุดหงิดไปด้วยหรือบางทีใจมันก็เจ็บป่วยไปด้วยนะมันก็เป็นทุกข์ไปด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ โนะดยอาศัยความรู้สึกตัวหรือตาในนี้เองอันนต้เนอาการของกายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับใจนะที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นเหมือนกันนอกจากอาการของกายแล้วนะก็มีอาการของใจนะที่เป็นความคิดปรงแต่งต่างๆนะซึ่งมีหลายรูปแบบที่ก็จะมาสะแสดงนะให้เราดูคนที่มีความรู้สึกตัวชัด นะมีตาในที่ชัดเนี่ยก็จะเห็นความคิดเรงแต่งต่างๆออกมาในรูปแบบต่างๆแต่ก่อนเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะหลงไปในความคิดปุ่งแต่งถ้าเป็นความคิดดีๆนะ่ะเราก็มีความสุขนะความคิดที่ไม่ดีเราก็เป็นความทุกขนะ์มีความพอใจไม่พอใจในความคิดเหล่านั้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราไม่ได้มาฝึกเนี่ยนะเราก็จะมีชีวิตที่หกเรเหิน นะอยู่ในสุขอยู่ในทุกข์มีความพอใจไม่พอใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราดูบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงเลยว่าโอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงนะมันบงังคับบัญชาไม่ได้นะมันทนอยู่ไม่ได้นะมันไม่ทมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีความเปลนะี่ยนแปลงนซึ่งอันนี้ต้องอาใัยทำบ่อยๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็จะเห็นะความจริงของกายของใจ นาที่เขาสแสดงออกมาเพียงแค่เราทําความรู้สึกตัวแค่เนี้ยนาก็จะเห็นความจริงของสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นความจริงแล้วนาสิ่งที่เราเคยยึดเคยถือนาจะเป็นร่างกายก็ดีเป็นความคิดก็ดีเป็นอารมณ์ก็ดีนาเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีสาระเลยไม่มีแก่นสารเลยเราเคยยึดถือเคยแบกหนักเอาไว้เนี่ย น้ำก็จะเกิดการปล่อยวางเองงานะโดยที่เกิดจากปัญญานะี้ที่เราเห็นความจริงไม่ใช่ปล่อยวางเพียงแค่นึกคิดเอาหรือเ่าไปอ่านตำลับตำลาเขาบอกให้ปล่อยวางให้จิตว่างนะอันนั้นมันคิดเอานะมันมันไม่เกิดขึ้นจริงจริงนะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะไม่เกิดความหลงซ้อนขึ้นมาอีกได้นะถ้าเราไม่แยบขายพอในะในการพิจารณาเพราะฉะนั้น การเจริญสติเนี่ยเราเริ่มต้นที่กายเราัก็จะไปเห็นเวทนานั่นคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเราไะเป็นอาการของจิตนก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆาแล้วก็เป็นธรรมชาติของกายของใจนที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรว น, นไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่ เราจะได้รู้านะจากความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันรวมไปทั้งสติและสัมปชัญญนะนสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะเราเรียกรวมๆเป็นความรู้สึกตัวซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นทางสายเอกนะที่พุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนเป็นทางสายเดียวนะที่จะทําให้พ้นจากความทุกข์ได้นะที่จะปลดเปลื้อง นาให้ใจนั้นเป็นอิสระนาจากความคิดปรุงแต่งจากสิ่งที่ทำให้ใจหนักนาที่เราพปยึดไปถือนั่นเองเพราะนั้นการมาเจรลนสติกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนนาที่คุ้มค่านาที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนาเป็นอิสระนาสามารถที่จะปแบบรดเปื่ยนทุกนาที่เกิดขึ้นที่ เราเคยแบกหนักไวนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะให้ผลที่คุ้มค่านะกับการที่เราจะมาลงแรงล ง, ลงแรงลงความภาคเพียนพยายามลงไปนะโดยเฉพาะการมาเก็บอารมณ์4ี่สิวันเนี่ยนะก็ขอให้ได้ตั้งใจนะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทีนี้นในระหว่างการปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา นะแล้วเราพยายามแก้ด้วยตัวเราเองแล้วไม่ได้นะ่ก็ควรจะสอบถามนะผู้รู้ตนะั้งแต่หลวงพว่อคาเขียนอลนะคนะบาจารยนะ์ที่พอที่จะเป็นกะะนาลยาณมิตรของเรานะเราจะได้ไม่ต้องเดินทางให้เนื่นช้านะต้องอาศัยคนที่เดินทางผ่านมาก่อนนะบางทีก็จะแนะนำํำนะหรืออาจจะช่วยให้เราเดินได้เร็วขึ้นนะเราบางที บางทีเราก็ไม่กล้าหนะ้าที่ไปถามนะตรงนี้บางทีก็ทำให้เราต้องเสียเวลาในการเดินทางนะปะนั้นวัฏป่าสุกโตเนี่ยสภาพแวดล้อมก็เอื้ออานวยนะมกว่าสปะยะในด้านสถานที่เรื่องอาหารการกินก็เหมาะสมนะมีครูบาอาจารย์มีกาลยนานมิตรนะเป็นสิ่งแวดล้อมนะซึ่งตรงนี้ก็หน้าที่จะช่วยเอื้ออานวยประโยชน์ มานะให้กับทุกท่านเนี่ยต้องมีการเจริญสตอิอย่างเต็มที่ทีนี้นอกจากการเจริญสติในรูปแบบแล้วเนี่ยนะก็อย่าลืมนาะที่จะมีสติในชีวิตประจำวันนะตั้งแต่ตื่นนอนอยันเข้านอนนะตั้งแต่ตื่นนอนมาด้วยความรู้สึกตัวล้างหน้าด้วยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวนะ ขับทายอุจลรัปัสสวะด้วยความรู้สึกตัวาการเดิ น, นด้วยความรู้สึกตัวการาขบฉันรับทานอาหาราด้วยความรู้สึกตัวตรงนี้มันจะทำให้การเริญสติของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้ น, นได้ไวถ้าเราทําเพียงแค่ในรูปแบบแล้วพอเรา เลไปเราก็ไปพูดไปคุยกันเราไปทําอย่างอื่นเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเผอไปละมันก็จะเกิดช่องว่างแลนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนอจากเราทําในรูปแบบแล้วก็พยายามใส่ใจในะที่จะรู้สึกตัวกักบกิจวัตรประจําวันต่างๆและคอยสังเกตนะเราจะเผอตอนไหนนาะที่เรงสังเกตมากที่สุด ก, ก็คือตอนกินตอนตักอาหาร นะนี่จะสังเกตไดนะ้อย่างเราไปสาราน้าเนี่ยถ้าตักกันเสียงโกร่งเก่งกร่งเก่งเนี่ยแสดงว่าสติหลุดไปแล้วนาหรือบางทีหยิบฉวยไม่ระมัดระวังนาะนี้ก็สติเผล อ, อไปแล้วนะถ้าเผลอไปแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นาะสติเนี่เมื่อเราเผลอเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่อยๆนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะ สังเกตได้จากการที่เราได้ฝึกนะแล้วก็ถ้าทำไปมันมีอาการหนักมันมีอาการมึนมันอึดอัดนะถ้าแก้ไม่ได้นะก็ต้องถามคนนี้เขาเคยผ่านมาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็ะจะนะนะที่จะแก้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้แต่บางทีอารมณ์เนี่ยถ้าเรารู้จักบางทีมันก็แก้ได้ด้วยตัวเองพยายามช่วยตัวเองให้เต็มที่ก่อน การมาเก็บอารมณ์เข้ม40วันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะบางคนอาจจะหวังว่าโอ้โหจะต้องมีคนมากันเยอะนะมีครูบาอาจารย์คอยดูแลใกล้ชิดนะมีมาสอบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่นะมาที่นี่เนี่ยก็เป็นธรรมดาธรรมดานะบางทีหลวงพ่อท่านก็มาเทศในตอนเช้าบ้างนะบางทีก็ไม่มีเทพบ้าง นะบางทีท่านก็อยู่เป็นเพื่อนบางทีท่านก็ไม่อยู่เพราะนั้นเราต้องอยู่ด้วยตัวของเราเองนะตรงนี้ก็เป็นอิสระนะเรียกว่าที่นี่เป็นแดนอิสระนะที่จะให้เราได้ใช้เวลาเต็มที่นะกับการเจริญสติด้วยตัวเราเองนะแล้วถ้ามีปัญหามีข้อขัดข้องประการใดนะก็มีกาลยานามิตรนะที่อคอยช่วยเหลืออยู่นะ น, นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราเ สบายใจนะในการที่จะมาฝึกมาเก็บอารมณ์นะหรือคนที่ไม่ได้เก็บอารมณ์ก็คิดว่าก็คงใช้เวลาเนี่ยนะอยู่ที่กุฏินะอยู่อยู่ที่พักเนี่ยก็ได้ฝึกเจริญสติกันนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ยาวนะแล้วถ้าเราไปมัว เ, เพลิดเพลินอยู่กับการหลับการนอนการกินการพูดการคุย มันก็จะเสียเวลาแล้วละ่ะมาวัดป่าสุกโตนี่ถ้าคนคนมามาอย่างนั้นเนี่ยนาปล่าประโยชน์เลยเสียประโยชน์เลยนาอุสาหเสียเงินเสียทองเดินทางมาหรืคนบ า, บางท่านมาบวชเนี่ยแล้วก็ตั้งใจมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติแต่พอมาเจอสภาพแวดล้อมบางทีช่ชวนให้ไปพูดไปคุยไปทํานั่นทนํานี่นะแล้วไม่ได้เจริญสติเนี่ย แล้วก็เสียเวลาแล้วก็ศึกไปก็ จ, จะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ได้ได้ประโยชน์น้อยอาจจะได้เพื่อ น, นกลับไปได้คนรู้จักกลับไปแต่ว่าเราไม่ได้หลักใจที่เราจะไปใช้ในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในทางโลกซึ่งจะมีสิ่งมากระทบใจเราเนี่ยมากมายเลยถ้าเราไม่มีหลักใจเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งทงที่ที่อยากจะนําเสนอนให้กับทุกท่านได้พิจารณา นะัก็แล้วก็หวังว่าการม า, เ, าเรียนรู้ที่วัดป่าสุกตเนี่ยนะคงจะมีส่วนช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนะได้มีหลักใจนะที่จะเอาไปใชนะ้เมื่อออกไปจากวัดป่าสุกตนะแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะกลับคืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆนะซึ่งอนั้นจะเป็นที่พักที่พิงเป็นที่พึ่ง หน้าที่แท้จริงให้กับตนะัวเราเองนซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ก็พูดไว้ชัดเจนนะตอนเป็นที่พุ่งแห่งตนนะก็คือพุ่งตรงนี้นี่แหละนะพึ่งความเป็นปกติความเป็นปกตินั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวนะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ชัดเจนนะนี่เป็นสิ่งที่เอ่อน่าจะพิสูจน์น่าที่จะได้เอ่อทำให้เกิดขึ้นนะ อย่างไรก็ตามนะก็อย่าไปหวังอะไรมากนะทำไปเรื่อยๆนะบางทีไปหวังมากๆบางทีมันก็ไปเครียดนะกับความหวังความตั้งใจนะทำไปเรื่อยๆขยันที่จะเดินขยันที่จะสร้างจังหวะนะการรู้เป็นขณะขณะไปเรื่อยๆนะอันนี้ผลมันก็จะเกิดขึ้นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่ออยากจะนําเสนอในที่นี้นะอะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ที่มีอยู่ในตัวเรานะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติปัญญาที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องทําให้เกิดขึ้นนะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่มีอยู่แสดงอยู่ นะซึ่งเราจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเข้าไปดูไปเห็นนะเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็พระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติธปฏิบัติของเราการเจริญสติของเรานั่นเองนะด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านนะความอดทนของทุกท่านนะจงเป็นพละวัปัจจัยให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆ นะซึ่งตรงนี้จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของตัวเราทุกคนเจริญพร